เคยมีนักข่าวนักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งไปสัมภาษณ์ท่านไทร ล, ลัล ม, มะนักสือพิมพ์นี้ก็เป็นชาวอินเดียแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าถึงแม้เป็นแขกซิกแต่ว่าไม่เชื่อเรื่อง พระเจ้าไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าและเป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยกลัวใครกล้าซักกล้าแยงกล้าเถียงแล้วก็สนใจสัมภาษณ์ธรรมะเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนา เกี่ยวเรื่องการกับชาติมาเกิดอันนี้ก็ตรงประเด็นกับท่านธราามราามาภิเษกธรรมาภิเษกก็มีความเชื่อเป็นมีคนเชื่อนว่าท่านนะเคยชาติที่แล้วก็เป็นธรรมาภิเษกองที่สนะิบส า, ามธรรมาภินี่มันเป็นตําแหน่งนะแล้วก็เป็นสถาบันที่รองรับที่อยู่บนความเชื่อที่ว่ามีการกับชาติมาเกิดอย่าง ไทระม่นี่ตอนอเด็กๆก็มีคนมาค้นพบนะแล้วก็เชื่อว่าท่านเนี่ยก็คือ อ, องค์ไทระม่าอง์ที่สิบสาเพราะว่าสามารถที่จะจําเข้าของเครื่องใช้ธนระของไทระม่าออที่สิบาได้ส่วนทั้งนิมิตหรือว่านิมิตที่ธทระไทระม่าที่สิบสาไ ด, ไ ด, ได้ได้ทิ้งเอาไว้ก่อนตายมันก็ ก็สวดคล้องกันนักขาเนี่ยคุยชวนสิ่งแล้วก็ถามทารมะเรื่องนี้ว่ามีมีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ได้บ้างว่ามันมีชาตินี้ช า, า, า, าตินาทารมาท่านก็ยกตัวอย่างเด็กนะที่สามารถที่จะระลึกชาติไดนะ้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พูกันเยอะคนที่ระลึกชาติได้เนะี่ย ซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กวิจัฒน์สิ่งก็ยังไม่คยเชื่อแล้วก็ถามว่าแล้วทําไมไอ้คนที่ระลึกชาติเนี่ยมันถึงเป็นเด็กเท่านั้น น, นะาศาสนาไหนก็ตามเนี่ยนะที่มีความเชื่อเรื่องเกิดใหม่หรือกลับชาติมาเกิดก็จะอ้างหลักฐานนี่แหละว่ามีแต่เด็กที่ระลึกชาติได้ แล้วก็สักเนี่ยท่านธรรมก็พยอธิบายแล้วแล้วก็ซักแล้วก็พยายามจี้เนี่ยอย่างที่ได้จี้ได้คำถามเงี้ยพอถึงจุดหนึ่งท่านธรมะตั้นก็ตั้งก็หัวเราะนะเพราะว่าเนี่ยบอกว่าถ้าว่า ความจริงมันเป็นอย่างที่คุณว่านะคือว่ามันไม่มีลรอกชาตินิชาตห น, าน้าเนี่ยอัตมาคงไม่มีงานทำแล้วล่วนะท่านก็หวัวเราะไม่มีงานทำก็คือว่าไม่หรือ ว, ว่าไม่มีความชอบทำหรือไม่สามารถที่จะเป็นธรรมาได้คือปกติคนเรานี่เวลา ถ้าถูกซักถูกค้านเนี่ยนะในสิ่งที่มันไม่ตรงกับความเชื่อของเราเราเชื่ออะไรสักอย่างแล้วมีคนมาซักมาค้ามาแยง้งนะคนส่วนใหญ่ก็จะโกรธนะเนื่องจาะมันเป็นความเชื่อที่มันผูกพันกับความเป็นตัวตนของเร า, าเช่นธรรลมะนี่มันผูกก็จะผูกพันกับความเชื่อเรื่อง ชาตนี้ชาญหน้ากันกับชาติมาเกิดคนสัญญาก็จะโกรธแต่ว่าทารมาที่ท่านท่านไม่ไม่รู้สึกโกรธเลยท่านกับเห็นเป็นเรื่องขำไปหรือว่าสามารถที่จะอตอบโต้ด้วยอารมณ์ขันแล้วก็เป็นอันุตตเท่านั้นนะคือ ท่านก็พยายามอธิบายนะแต่ว่าท่านก็คงรู้ว่าอาธิบายไปกนะ็คงจะไม่เชื่ออันนี้ก็1ท่านก็ไม่โกรธนะสงท่านก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดที่จะไม่คิดที่จะอธิบายต่อก็มันก็ตัดบทไปเลยเพราะว่าพูดแล้วก็ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่เชื่อพูดไปพูดไปก็คงจะไม่มีประโยชน์ ก็เลยนะตัดบทนะดยการนะหัวเราะแล้วก็ปล่อยมุกนะัน่นก็ได้เป็นแง่คิดนะว่าหนึ่งเนี่ยท่านก็ไม่โกรธนะสองท่านก็ไม่ไม่เห็นความเห็นประโยชน์ของการที่ต้องมาพูดนะอธิบายายืดยาว โปยไปก็มีประโยชน์นะแล้วก็มันทำให้เกิดความาความมุ่งมิตความทุกข์ทั้งสองฝ่ายจากหตการการที่จะการที่จะเอาแต่อธิบายด้วยความคาดหวังว่าฉันถูกเพราะนั้นเนี่ยแกต้องนะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเข้าใจให้ได้ ท่านก็ไม่มีความคิดแบบนั้นไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนความคิดเห็นของเขาเปลี่ยนความเชื่อของเขาเมื่อเขาเชื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาไปนะแต่บางคงก็พยายามอธิบายอยากอธิบายไม่ใช่เพื่ออะไรแต่เพื่อให้เขาหันมาคิดเหมือนเราเชื่อเหมือนเราซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกัน อาการคนที่ทำอย่างทารมได้ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ว่ามีมีเยอะนะเพราะว่ามักจะติดอยู่กับปลักเนี่ยเรื่องความความโกรธนะถเขาคนที่มาแย้งเราทวงเรานะทวงความคิดของเรานะแล้วความคิดที่สําคัญอย่างเช่นถ้าเราเชื่อเรื่องนิพพานเนี่ยชื่อเรื่องนิพพานอนุทิตนี้ท้งชีวิตนี้เ็าอุทิตเพื่อการ ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คืนนิพพานแล้วมีคนมาแยง้งมีคนมาทวงมีคนมาค้านว่านิพพานมีจริงหรือเปล่านะลคนหลายคนก็ จ, จะเผลอนะเผลอนะตกอยู่ในปลักของความยึดติดถือมั่นในในความคิดของตนนะความคิดของกูนะ พอยึดมั่นความคิดใดว่าเป็นตัวกูของกูแล้วเนี่ยพอมีอะไรมาพอมีใครมากระทบมากระแทกมากทมาท่วงนะมาแสงความไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็มันก็กระทบกระแทกอัตตาเลยการวิจารณ์ความคิดนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่ามาวิจารณ์เราทำนองตีวัวกระทบคราดนะจริงวัวกับคราดก็ไม่เหมือนกันนะ ความคิดใดก็ตามเนี่ยกับเราเอาเรามันก็อันหนึ่งคนละอันกันแต่พอไปยึดว่าเป็นความคิดของเราแล้วมันก็ถ้าไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้หรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ความคิดนี้ก็มันก็ไม่เห็นด้วยกับเราเหมือนกับว่ากําลังวิพากษ์วิจารณ์เรามันก็กําลังกระแทกตัวตนของเรามันจะโกรธนะในเทวธรรมะในท่านก็เป็น แบบอย่างคนที่ไม่ไม่โกรธเมื่อถูกวนะิพากษ์วิจารณ์เนีเป็นเพราะว่าท่านมีความยึดติดถือมั่นในความคิด น, ะน้อยหรือว่าเป็นเพาท่านมีสตนะิหรือเพราะความใจกว้างแบบเห็นว่าเออคนที่คิดแบบนี้ก็มีเยอะนะธรรมดาพอเว่าคนแบบนี้หรือปฏิกิริยาแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ มมีถัวเสียอะไรก็เป็นเรื่องต่างจิตต่างใจนา น, น, นจิตต่างนี่ก็ไม่โกรธจะไม่โกรธแล้วแต่ไม่โกรธ แ, แ, แล้วแต่พยายามที่จะอธิบายพยายามที่จะชี้อันนี้ก็อาจจะไร้ประโยชน์อีกเหมือนกันที่ว่าคือบางทีคนเรานี่มันไม่ได้เชื่อเพราะเหตุผลอย่างเดียวเหตุผลอย่างเดียวก็ไม่พอ มันมีอะไรต่ออะไรมาเป็นเหตุปัจจัยด้วยท่านธรรามคางจะเห็นความไร้ประโยชน์ของการการเฝ้าอธิบายด้ยผลแต่ในบรรยากาศแบบนี้ในบรรยากาศกา ร, การถกเถียงนั้นเนี่ยคนที่ยังมีอารมณ์ขันได้นี่ก็ถือว่ามีน้อย ก็ขันในทํานองที่ที่ที่เหมือนกับหัวระยอนตัวเองนะเพราะนถ้ามันไม่มีชาติหน้าเนี่ยอัตมาก็หมดนะก็ไม่มีงานทาเสร็จท่ในะช้ว่า out of business นะก็คือว่าไม่นะไอไอไอจะเป็นธาราม่า ก, กนะ็หมดสิทธิ์นะหมดสิทธิ์เป็น เป็นการหัวเรยะตัวเองในเรื่องเรื่องเรื่องความโกรธนี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ทางพุทธศาสนานี่น ะ, ะถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่พุทธศาสนานให้ความสำคัญมากนะเพราะว่ามันเป็นที่มาของความทุกขนะ์ มันเผาผ่านใจของตัวเองคนอื่นทำอะไรกับเราเนี่ยเขาก็อย่างมากก็ทำร้ายแค่ร่างกายนะแต่ว่าไม่สามารถทำให้ไม่สามารถทำร้ายจิตใจเราได้พูดอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าส่วนทางความจริงเพราะว่า สมมติเขาด่าล่ะนะสมมุติเขาเขาเยดยามเราเงี่ยเขาดูถูกเราเนี่ยมันไม่ใช่การทำร้ายจิตใจเลย <Okay. S 1> มันก็จริงนะว่ า, าคนที่เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์ใจนี่ก็เพราะมีคนอื่นมาด่ามาเยียดยามแต่ว่า แค่เขาทําพูดเขาทําหรือพูดเช่นนั้นเนี่ยมันยังไม่ทําให้เราทุกข์ใจไอที่ทุกข์ใจเพราะใจของเราต่งางหากใงเรานี่มันไปไปร่วมมือด้วยนะใจที่ไม่มีสติใจที่เอาคําพูดของเขามาคิดซ้ําแล้วซ้าเล่าเหมือนกับว่าเอามีดมากรีดใจตัวเองเหมือนกับว่า มันมีมันมีมีดโกนหรือว่าเศษแก้วคมค ม, มอยู่ในมือถ้ามันอยู่ในมือเราเฉยๆเนี่ยมันทำอะไรเราได้ไหมมันทําอะไรไม่ได้หรอกมันทํำเราแล้วก็ต่อเมื่อเรากรรมมันกรรมแล้วก็บีบกรรมแล้วก็บีบคนที่เขาเอาเศษแก้วมาวางไว้ในมือเราเนี่ยนะแล้วคนที่ด่าเราเนี่ย ก็เมือนกับคนที่เอาเสกแก้วมาวางไว้ในมือเราเอามีดโกนมาวางไว้ในมือเรามันยังทำแล้วเราไม่ได้หรอกเต ก, กว่ า, าจะกรรมเขาไม่ได้สั่งให้เรากำสักหน่อยเขาไม่สั่งให้เราเบีบดสักหน่อ ย, ใ ห, หอยให้เราเป็นคนบีบคนกรรมเองอยังไไปโทษเขาได้ยังไงว่าแกนี่ทำไมเอามีดโกนมาวางไว้ในมือฉัน ทำไมเอาเสษแก้วมาวาง ม, ม, มื อ, ม, อมาวางทำไมแต่เราไม่ค่อยถามมาแล้วเราอะทําไรบีบไปกรรมมันอยู่นั่นแหละทนะี่จริงมันเรานี่มีส่วนร่วมตั้งแต่ว่าไปแบมือทำไมนะไปแบมือให้เขาเอามีดโกนเอาเศษแก้วมาวางไว้ถ้าเราไม่ ไม่แบรเรากรรมเอาไว้เนี่ยเขาจะเอามีกรเศกแก้ ม, มาวางไว้ในมือเราได้อย่างไรหรือเพียงแค่เราพลิกควนะ่ำพลิกมือคว่ำเนี่ยนะมีกรเศกแก้มก็หลุดไปแล้วตกไปแล้วหล่นหายไปแล้วอันนี้แหละเวลาทุกครั้งที่เรามีความทุกข์ใจเนี่ยนะเช่นความโกรธเนี่ยมันก็เลยแล้วแต่ว่าเรา ก็เกิดเพราะเรามีส่วนด้วยทั้งนั้นเรามีส่วนด้วยทั้งนั้นมั้นจะไปว่าใครเนี่ยไม่ได้นะรามาคนหนึ่งคือรามาลาเซนะไปท่านถูกทรมานในที่เบตโดยทหารจีนติดคุกอยู่ยี่สิบปีถูกทรมานซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ตอนหลังก็ถูกปล่อยออกมาแล้วท่านก็หนีมาอยู่อินเดียแต่ลมม่าก็ถามลมามะท่านนี้ว่าในตอนที่ถูกทรมานเนี่ยอะไรที่ท่านกลัวมากที่สุดแทนที่ท่านจะพูดถึงการทรมานของทหารจีนท่านบอกว่าที่ท่านกลัวมากสุดคือกลัวว่าจะไปโกรธทหารจีนเนี่ยคือที่ท่านกลัวมากที่สุด น่าคิดนะทำไมถึงกลัวมากที่สุดนะอาจเป็นเพราะว่าถ้าโกรธแล้วเนี่ยโกรธใครก็ตามเนี่ยมันก็จะพูดร้ายคิดล้ายก็ทําให้ง่ายต่อการผิดศีนนลนะหลวงพ่ท่านเห็นว่าการผิดศีลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แย่มากใครทําอะไรเราเนี่ยก็ไม่ร้ายเท่ากับว่าเราเนี่ยนะทำผิดศีลผิดศีลมันก็ทําให้จิตตกต่ําชีวิตย่าแย่ อีกเหตุผลหนึ่ง ก, ก็คือว่าถ้ารูวา่าท่านโกรธเขาเมื่อไหร่เนี่ยท่านจะทุกข์ใจทหารจีนก็ทําร้ายท่านได้แต่ร่างกายนะแต่ว่าไม่ทําให้สามารถาทําให้ท่านทุกข์ใจได้แต่ทันที่ปล่อยให้ความโกรธเข้ามาเล่นงานจิตใจนี่นะมันจะทุกข์ใจมากเลยความความเจ็บความปวดทางกายมันจะทวีมันจะทวีคูณคูณสองคูณสามเลย คนเราเนี่ยคนคนเราเวลาโกรดนี่นะอยู่ๆมก็มีความเจ็บความปวดขึ้นมาทันทีปวดโน่นปวดนี่หละคนนี้ปวดโน่นปวด น, น, วด น, น, วดนี่ปวดท้องปวดหัวหลายคนนี่ไม่มีอาการผิดปกติทางกายนะแต่เป็นเพราะมีความโกรธบางคนมีความเจ็บความปวดนิดหน่อยแต่พอโกรดนี่มัน ปวดจนทนไม่ได้เลยในเคสแบบนี้นี่ถ้าเพียงแต่ทำให้ความโกรธทุเลาลงเนี่ยให้ความปวดก็ทุเลาลงไปด้วยแต่คนไม่ค่อยเห็นนะว่าความโกรธเป็นตัวเป็นตัวซ้าเติมความทุกข์ให้ให้ทวีตรีคูณหรือว่าเป็นการซ้าเติมตัวเอง โกรธมาแล้วคือกำลังซ้าเติมกำลังทาร้ายตัวเองลามะท่านนี้ท่านท่านเห็นความจริงอันนี้ท่านก็เลยบอกว่าท่านกลัวกลัวจะโกรดทหารจีนเพราะว่านอทําทำให้ตัวเองทุกข์แล้วนะก็ยังทำให้สามารถทำชั่วทำซ้ำ ส, สิงไม่ดีซึ่งก็คือการสร้างความเดือดร้อนใจให้กับตัวเอง แล้วก็ตามเนี่ยความโกรธไม่ดีไม่ปแปลว่ามีความโกรธแล้วต้องไปกดไปห้ามมันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนมักจะทํากันในความรู้สึกว่าความรู้สึกว่าความโกรธไม่ดีนะเสร็จแล้วก็ไม่รู้เท่าทันโกดที่ไรก็ไปกดไปก่ไปห้ามเมาไว้นี่นก็ไม่ใช่ เมื่อวานี้ก็ตอนที่คุยกับฝรั่งกับชาวต่างชาตินี่ก็มีประเด็นคุยกันเรื่องความโกรธ เ, เท็ซึ่งก็เป็นฝรั่งก็กพูดเนี้มันมีค้านิยมนะหรือความเชื่อในหมู่คนไทยแล้วก็ในหมู่ชาวพุทธเน่ว่าอการแสดงความโกรธหรืออการแสดงอารมณ์เนี่ยความรู้สึกเนี่ย เช่นการร้องไห้ก็ดีหรือการแสดงความกลัวก็ดีแนตะ่เป็นสิ่งที่ไม่ดีจนะใครร้องไห้นี่ก็บอกอย่าร้องไห้อย่าร้องไ ห, งหนะง้ก่อนที่ก็ไอ้ห้ะผัวผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันแล้วนะผู้ใหญ่เขาไม่ร้องไห้ความกลัวก็เหมือนกันก็ไปการที่แสดงความกลัวออกมานี่ถือเป็นเรื่องที่แย่มาก แล้วเขาก็ทำให้คนนี่ไม่ค่อยกล้าที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองเนะเวลาอยู่ในที่ประชุมหรือว่ามีการสนทนากันเขาก็อ้าววันนี้เป็นเพราะพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ให้อดกลั้นหรือว่ากดข่มความโกรธแล้วก็อารมณ์ต่างๆ ก็บอกไปว่าเนี่ยไอ้การที่จริงมันคงไม่ใช่พุทธศาสนาหรอกในทศไตยปิฎกนี่ก็พูดถึงพระอานนท์ที่ร้องไห้เมื่อได้ทราบว่าพระสัรยบุตรปรินิพพานอานนท์เองก็ทําท่าเศร้าร้องไห้เมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเหมือนกันทั้งที่ตอนนั้นก็เป็นอุสดาบัแล้วนางวิสาขาก็ร้องไห้เนี่ยที่ หลานตายท่านนี่เป็นโสดาบันแล้วเรื่องราวแบบนี้เนี่ยก็นํามาเขียนบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกโดยที่ไม่ได้ปิดปังอะไรก็แสดงให้เห็นว่าก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้หรือเป็นเรื่องธรรมดาในการที่จะเศร้าโศกเสียใจไม่มีความสูญเสียถึงขั้นร้องไห้พระสาวพห่ า, า, า, าหนนวลก็เป็นทั้งพระเป็นนักผู้ชาย แต่ที่คนไทยก็ไม่ค่อยพูดแสดงความเห็นไม่ค่อยแสดงอารมณ์นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราเน่นเรื่องความความกลมเกลียวเราเน้นเรื่องความกลมเกลียวความเปอันหนึ่งอันเดียวกันความความบรรสานสอดคล้องกันถ้าเกิดมีใครคนหนึ่งร้องไห้ที่ประชุมเนี่ย มันก็ทําให้ที่เหลือเนี่ยเกิดความรู้สึก อ, อึดอัดเราสังเกต ด, ดูนะเวลาเกิดมีใครร้องไห้กันมาคนที่เราก็จะอึดอัดซึ่งทำเนียมไทยก็ถือว่าแบบนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใครจะแสดงความเห็นคัดค้านเนี่ยทำเนียมไทยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยส่งเสริมนะเพราะว่ามันทําให้ความเป็นหนึ่งอันเดียวกันมันเสียไป องค์การต้องการเน้ความเป็นสมรรถชัน้นความกลมกลืนให้คนไทยก็ น, นิยมนะจะไปแสดงความไม่เห็นด้วยเนี่ยนอกนอกวงก็คือการดินทานให้การดินทานี่ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากการที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เคย อ, อยากให้มีการความไม่เห็นด้วยในที่ประชุม เพราะว่าคนไทยสมัยก่อนเลยเพาะที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเราจะได้เรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใครทําตัวผิดแปลกนะก็อาจจะลำบากหน่อยนะเป็นที่ไม่ถ้าไม่ทําตัวกลมกลียวชาว บ, บ้านทาตัวผิดแปลกต่อไปก็อาจจะโดยข้อหาปอบไดนะ้ปอบนี่มันก็เป็นเป็นเป็นมาต ร, รการทางสังคมนะที่ใช้จัดการคนที่ ทำตัวประหลาดประหลาดรือเห็นเห็นผิดแปลกแตกต่างจากชาวบ้านอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมไท ย, ยที่ที่ต้องที่เนเรื่องความสามัคคีความกลมกลืนควเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เลยมีวิธีการต่างๆที่ติดตามมาคนเราเมื่อมันมีความเป็นด้วยมันก็อยากจะพูดนะถ้ามันพูดในที่ประชุมไม่ได้ในในวงใหญ่ไม่ได้มันก็ไปนินทาก็เป็นการระบาย เป็นเป็นเป็นวาวนะในการที่จะคลี่คลายความขัดแยง้งพอคนได้นินทาก็สบายใจเออก็อยังอยู่กันได้ต่อไปถ้าสังคมไหนไม่ให้นินทาเลยด้วยพูดไม่เห็นด้วยในที่ในวงใหญ่ก็พูดไม่ได้นินทาก็ไม่ได้ก็คนก็เครียดคนก็บ้านั่นแหละสังคมไทยว่าจริงก็อนุ ญ, ญาตนะวันนี้ให้ให้เป็นนินทาข้างนอกเพื่อเป็นการลดความความกดดัน อันนี้นก็เป็นเป็นว่าทธรรมที่มีทั่วไปและเพราะเหตุนี้เนี่ยแม้จะเป็นผู้ใหญ่บ้านจะเป็นกำนันจะมาจะมาใช้อำนาจนะกับชาวบ้านกับเกับลูกบ้านนี่เขาก็ไม่นิยมทำนะคนมาคิดว่าเนี่ยสมัยไอ้การคนมาคิดว่าถ้าใครมียนนาแล้วเนี่ยก็จะใช้อำนาจนี้ไปบังคับไปสั่งนี่ ธรรมเนียมหมู่บ้านไทยมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมันต้องขอร้องต้องขอร้องต้องขอต้องเชิญชว น, ชวนนะต้องเกลี้ยกล่อมต้องตะล่อบเนะี่ยเพราะว่าถ้าเกิดใช้การบังคับเอามันก็ทําให้เกิดความรกรากขั้วอวนทําให้เกิดความไม่พอใจเกิดความขัดแย้งความสามัคคีก็เกิดขึ้นได้ยากธรรมเนียมไทยเป็นอย่างนั้นนะในหมู่บ้านเนะี่ยซึ่งอาจจะตรงข้ามที่เราเข้าใจ ส่งข้าวที่เราเห็นเนี่ยไอที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมในเมืองนะธรรมเนียมในเมืองของชนชั้นกลางที่นิยมใช้ใช้กำลังใช้ใช้การใช้การกดข่มนะในหมู่บ้านนี่ก็จะนุ่มนวลกันเยอะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็อธิบายใช้เขา้าใจนะว่าไอ้อก้อนเนี่ย คนไทยนี่ไม่เค่อยยอมความแตกต่างใครเห็นแตกต่างจากอย่างเช่นใครแตกต่างจากพระราชาก็ถูกประหารชีวิตก็บอกเขาว่าก็จริงนะแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ในอยู่ในอำนาจอยู่ในอยู่ในอยู่ใกล้อยู่ใกล้พระราชานะคนไทยส่วนใหญ่มาอยู่ในชนบทไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ในมหานครและวอำนาจของของพระราชาก็ไม่ได้ก ไม่ได้ขยายเกินกว่ากำแพงเมืองเลยราชการที่4ี่นี่อำนาจราชการที่สีกส่ก็ไม่ได้ขยายเลยไปจากกำแพงพระนครอ น, นี่คนมักจะเข้าไม่เข้าใจนคนคิดว่าพระราชานี้อำนาจทั่วประเทศนั่นคือนั่นมันเริ่มสมัยราชการที่ห้าที่เริ่มเป็นรัฐชาติแล้วเริ่มมีการปกครองไปอันหนึ่งอันเดียวกันพระราชาพระมหากษัตริย์ก็จะมีอำนาจครอบคุมทั้งประเทศ ผู้ปกครองในจังหวัดในมณฑลต่างๆต้องได้รับพระบรมราชองค์การจากพระราชาคือรัช ก, กาลที่5แต่ก่อนหนั้ น, น, นเนี่ยว่ากันเองจะเป็นสวรรคโลกลบบุรีนะสุโ ข, ขทยัยเชียงใหม่ว่ากันเองพระราชาไปสั่งไปแต่งตั้งไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจมันมีมากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีไม่มีระบบราชการไม่มีโทรศัพท์ไม่มีกองทัพประจําการ สมัยนี้เนี่ยรัฐมันมีอำนาจมากเนเพราะว่ามีตำรวจมีทาหารไปอยู่ทุกจังหวัดเลยถ้าใครทำตัวผิดแปกแตกต่างจากส่วนกลางหรือผู้ปกครองก็ถูกจัดการสมัยนั้นมันทำไม่ได้ล้วคนมักจะเอาภาพของปัจจุบันไปใช้กับภาพสมัยก่อ น, นก็บอกเนี่ยัย้าคนในสวนไหนอยู่ในชนบทอยู่ในเมืองอยู่ในหมู่บ้านวันนั้นเนี่ย ธรรมเนียมมันก็จะเป็นธรรมเนียมหมู่บ้านก็คือว่าไอการแสดงความเห็นเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีใครเห็นแย้งกันในวงไม่ค่อยมีใครร้องหม o ร้องไห้ที่ทำให้คนที่อื่นอัดหรือว่าแสดงความโกรธออกมามันไม่ใช่พุทธศาสนาหรอกแต่พุทธศาสนาก็มีส่วนนะพอพอมันมีคัน้นยมว่าอย่าแสดงความโกรธอย่าแสดงอารมณ์ออกมา ก็เอาคำสอนพศาสนามาใช้ก็อย่างเช่นขันติธรรมเนี่ยต้องมีขันติต้องมีขันติตนตผู้ใช้ต้องอดทนต้องเข้มแข็งอันนี้ก็อาจจะเอ า, เอาคําสอนพุทศาสนามามารองรับธรรมเนียมแบบนี้แต่จริงเนี่ยไอ้การที่คนเราจะร้องไห้ก็ร้องได้นะร้องได้ถ้าเราเวลาเศร้าแล้วมันร้องเวลาเศร้าเสียใจพัดพามก็ร้องหมร้องไห้ก็ให้รู้ ให้ยอมยอมรับนะว่าเราว่าเราเสียใจยอมรับว่าเราทำใจไม่ได้ยอมรับว่าเรายัางยึดติดผูกพันอยู่นะแล้วก็ให้รู้ทันยอมอาการรู้ทันแล้วก็ยอมรับมันก็ทำให้อารมณ์นั้นคลี่คลายไปไม่มาเล่นงานเรานะความกลัวก็เหมือนกันนะความโกรธไม่ใช่ว่าต้องไปกดข่มนะ หลวงปู่ดูนั่ฑ์ก็ไม่เคยบอกว่าท่านไม่โกรธนะท่านไม่เคยบอกว่าท่านไม่มีความโกรธคุณถามว่าหลวงปู่มีโกรธไห้บอกมีแต่ไม่เอาไม่ใช่เรื่องที่ต้องกดข่มแต่หวัว่านะั่นก็ความเข้าใจศาสนางคนเราก็แตกต่างกันไปนะพอเราเข้าใจนิดหน่อยแล้วก็อาจจะไปไปไป ไปตีความต่างๆนานาจนถ้ากเกิดความเข้าใจทผิดแม้กระทั่งคำว่าบุญนะบุญนี่ก็เป็นความก็เป็นคําสอนพื้นฐานแต่ว่าก็ตีความมันหรือใช้กันผิดผิดปฏิบัติกันผิดผิดซะเยอะทําบุญกับพระนะต้องไปทําบุญกับพระนะถ้าทําถ้าดูแลพ่อแม่ไม่ถือว่าได้บุญอยากได้บุญต้องไปทํากับพระนะแม่ป่วยพ่อป่วยอ่ะ แทนที่จะดูแลพ่อแม่เพราะว่าถือวเป็นการได้บุญก็อยากได้บุญก็ต้องไปต้องไปเข้าวัดอทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้บ้านไปทําบุญที่วัดถึงจะได้บุญอันนี้ก็ความเข้าใจที่ผิดหรือบางทีก็ส่งบุญมาให้พ่อแม่แทนที่จะดูแลพ่อแม่ด้วยตัวเองก็ไปปฏิบัติธรรมบ้างไปไปวัดบ้าง ถวายเพลถวายสังฆรามแล้วก็ส่งบุญมาให้ถือว่าช่วยพ่อช่วยแม่แล้วนะทางที่ไอการช่วยดูแลท่านนะป้อนข้าวอาบน้ำเนะช็ดตัวนั่นแหละมันดีกว่าส่งบุญมาให้อีกส่งแล้วถึงหรือ บ, บ่าก็ไม่รู้แต่ถ้าป้อนข้าวเช็ดตัวนะนะชีจีชเชยยท่านเนี่ยนะมัน อา น, นิสงส์มันเกิดขึ้นเลยทันทีประโยชน์เกิดขึ้นทันทีเอาแล้วก็ชาเน่พวยท่านี้อากลับ